หอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังหะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาขมโมแปลเรื่องที่สามสิบขรุพันด์วินิชฉญกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องขรุพัน ในคำว่าครุพันมีวิธีใัยดังต่อไปนี้สิ่งเหล่านี้คืออารามพื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารเตียงต่างผูกหมอนหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะมีดขวานพึงจอบสิวเทาวันไม้ไผ่หญ้าปล้องหญ้ามุงกระตาย หญ้าสามันดินเหนียวพันดะไม้พันดะดินชื่อว่าครุพันห้าหมวดครุพันห้าหมวดนี้นะที่พระผู้มีพระพระเจ้าทรงแสดงไว้โดยในเป็นต้นว่าดูก่อนทิกตุทั้งหลายวัตถุที่ไม่ควรแจกห้าอย่างเหล่านี้อันทิกตุไม่ควรแจกแม้สงคณะหรือบุคคลแจกไปแล้วก็ไม่เป็นอันแจกรูปใดแจกรูปนั้นต้องอบัติทุนลัตใจ ก็บัตรุลจัยเลยนะเป็นอาบัตที่เป็นโลหูกาบัตแต่ว่ามีโทษมากที่สุดในบรรดาลหุกาบัตห้ากองถุลใจเป็นโทษอ้วนปาจิตตีก็ยังบุตรจิตให้ตกไปปาติเดสริยะก็จะต้องแสดงคืนตังหะแล้วก็ทุกกฎทําชั่วทุกปาสิปัพูดชั่วถุลใจนี้ก็มีโทษหนักที่สุดตกลงครุกพัณฑ์นี้ก็มีทั้งหมดยี่สิบห้าอย่างรวมห้าหมวดห้าหมวดยี่สิบห้าอย่าง ก็คือหมวดแรกก็เกี่ยวกับอสังหาริมะหมายถึงถาวรวัตถุเป็นเสนาสนะสี่อย่างห้าหมวดหมวดแรกก็เป็นอสังหาริมะเสนาสนะสี่อย่างก็ได้แก่หนึ่งอารามสองพื้นที่อารามสามวิหารสี่ก็พื้นที่วิหารหมวดที่สองก็เป็นสังหาริมะเสนาสนะก็คือหมายถึงที่เคลื่อนย้ายได้ันแรกเคลื่อนย้ายไม่ได้ที่สองก็เคลื่อนย้ายได้สี่อย่างเหมือนกัน ก็คืออันที่หนึ่งเตียงอันที่สองตังอันที่สามปูกอันที่สี่หมอนหมวดที่สามก็มีสี่อย่างเป็นพวกภาชนะพวกภาชนะก็ได้แก่หม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะแล้วก็กระทะโลหะสีอย่างเป็นพวกภาชนะส่วนหมวดที่สี่ก็ได้แก่เครื่องมือมีห้าอย่างด้วยกันเครื่องมือก็ได้แก่มีดขวานพึงจอบแล้วก็สิวห้าอย่าง มีดขวานพึงจอบแล้วก็สิวส่วนหมวดที่ห้าหมวดที่ห้าทั้งหมดก็มีแปดอย่างเลยเป็นพวกเครื่องใช้เป็นพวกหญ้าหญ้าพวกดินแล้วก็เครื่องใช้ก็ได้แก่อันที่หนึ่งเสาวันอันที่2ไม้ไผ่อันที่สามหญ้าปล่องอันที่สี่หญ้ามุงกระต่ายอันที่ห้าก็หญ้าสามันอันที่หกก็ดินเหนียวอันที่เจ็ดก็พันดะไม้อันที่แปดก็พันดะดิน เพราะฉะนั้นมีครุพันห้าหมวดห้าหมวดรวมยี่สิบห้าอย่างหมวดที่หนึ่งอสังหาริมะเสนาสนะเป็นพวกที่เป็นถาวรวัตถุเคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ได้ก็คืออารามเพื่อนที่อารามวิหารเพื่อนที่วิหารแลวก็หมวดที่สองสังหาริมทรเสนาสนะหมายถึงเสนาสนะที่เคลื่อนไหวได้ก็คือหมายถึงย้ายได้พวกเตีงต่างฟูกหมอนเตีงต่างฟูกหมอนพวกนี้ก็เป็นครุพันเคลื่อนย้ายได้สี่อย่าง เป็นภาชนะหมวดที่สามสีอย่างเือนกันหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระถางโลหะสีอย่างหมวดที่สี่เป็นเครื่องมือเครื่องมือห้าอย่างก็ได้แก่มีดขวานพึงจอบสิวหมวดที่ห้าเป็นพวกญ้าไม้ดินพันดะัะได้แก่เถาวันไม้ไผ่หญ้าปล่องหญ้ามุงกระตาหญ้าสามัญดินเหนียวพันดะไม้พันด ะ, น ด, ะดินพวกนี้เป็นครุพัณฑ์แจกไม่ได้ใครแจกก็ได้แต่ต้องอบัตรถุนรับจัง บรรดากลุ่พันเหล่านั้นสวนดอกไม้หรือว่าสวนผลไม้ชื่อว่าอารามแต่ว่าที่น่ารื่นรมที่รื่นรมทั่วโอกาสที่เขากําหนดตั้งไว้เพื่อประโยชน์แก่อารามเหล่านั้นเองหรือเมื่ออารามเหล่านั้นร้างไปแล้วภูมิภาคเก่าแห่งอารามนั้นชื่อว่าอารามวัตถกุก็คือบริเวณทั้งหมดแต่อารามประเทศร่มรื่นมีต้นไม้ ม, ไ ม, มีสวนผลไม้ เสนาสนะมีปร า, าสาทเป็นต้นชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าวิหารโอกาสเป็นที่ประดิษฐานเสนาสนะมีปร า, าสาทเป็นต้นนั้นชื่อว่าวิหารวัตถุก็คือพื้นดินทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดน่นะส่วนกุฏิวิหารนั้นก็เป็นเสนาสนะเป็นวิหารไปบรรดาเตียงสี่ชนิดคือเตียงที่มีแม่แคร่สอดเข้าในขาเตียงที่มีปลายเท้าร้อยด้วยไม้สระเตียงที่มีขาดังก้านปู เตียงที่มีขาจดแม่แคล่ชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าเตียงบรรดาตังสี่ชนิดมีตังมีแม่แคล่สอดเข้าในขาเป็นต้นชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าตังก็เหมือนกับเตียงนะแต่ว่าตั้นกว่าแต่ว่ามีเท้าเหมือนกันมีตังมีแม่แคล่สอดเข้าในขาเป็นต้นหรือว่ามีปลายเท้าร้อยมีไม้สลักมีขาดังก้ามปูหรือว่ามีขาจะแม่แคลมีขาเหมือนกันกับพวกเตียง บรรดาฟูกห้าชนิดมีฟูกที่ยักด้วยขนสัตว์เป็นต้นชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าฟูกบรรดาหมอนที่ยักด้วยนุ่นจากต้นไม้นุ่นจากถาวรแน่แนุ่นจากหญ้าดอกเหลาชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าหมอนหมอนนี่ก็เป็นคลุพันด้วยนะแจกไม่ได้หมอนนี่ถึงแม้แจกไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะทําผาพิกา ร, รได้ก็คือแรกเปลี่ยนของสงแต่ว่าก็จะต้องมีการเอาประโลกมีการแจ้งให้สง่งข้าว หม้อที่ทําด้วยโลหะชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นเหล็กก็ตามเป็นทองแดงก็ตามชื่อว่าหม้อโลหะแม้ในอ่างโลหะเป็นต้นก็มีในนี้เหมือนกันก็ในอ่างโลหะเป็นต้นนี้ไหท่านเรียกว่าอ่างหม้อน้ําท่านเรียกว่าขวดกระทะนั่นเองท่านเรียกว่ากระทะแม้ในเครื่องมือมีพลาโต้เป็นต้นและในเครื่องใช้มีถาวันเป็นต้นขึ้นชื่อว่าสิ่งที่รู้จักยากย่อมไม่มี หม้อน้ําเนี่ยไปเรียกว่าเป็นขวดได้ยังไงทรงอาจจะคล้ายๆขวดหมน้ําของอินเดียนี่เขาทรงคล้ายๆขวดเหมือนกันเป็นโลหะบทว่าปัญจก็คือห้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยสามารถที่รวมกันเป็นกองแต่ครุพันเหล่านั้นมีถึงยี่สิบห้าอย่างโดยสรุปก็หมายถึงห้าหมวดแต่ว่าทั้งหมดยี่สิบห้าอย่างสมจริงดังพระดํารับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า พระโลกนาถผู้มีจักสุห้าอันปราศจากมนทินทรงประกาศครุพัณยี่สิบห้าอย่างโดยหมวดห้าอย่างนี้คือสองหมวดแรกทรงสงเคราะห์ครุพัณย์หมวดละสองหมวดละสองอย่างหมวดที่สามนับครุพัณย์ได้สี่อย่างหมวดที่สี่มีเก้าอย่างหมวดที่ห้าจำแนกเป็นครุพัณย์ได้แปดอย่างด้วยประการชนิดเพราะฉะนั้นท่านจักเนี่ยไม่ตรงกับที่เราจักครู่นี้เราจักเอง แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านจัดนิ่ท่านจัดอย่างนี้ก็คือหมวดที่หนึ่งอารามและอารามวัตถุสองอย่างอารามกับอารามวัตถุส่วนหมวดที่สองก็ daring, right. คือวิหารกับวิหารวัตถุสองอย่างเหมือนกันแต่ความจริงแล้วมันเป็นทาวรวัตถุอสังหาริมทร์ผู้อ่านก็เลยเอามาจัดรวมกันเป็นสี่อย่างแต่ว่านี่ตามที่พระพุทธเจ้าจัดมีจัดอย่างนี้ส่วนอันที่สามเนี่ยก็คือเตียงต่งฟูกหมอนสี่อย่างเหมือนกัน เป็นพวกประเภทสังหาริมะสังหาริมะก็คือเคลื่อนย้ายได้ทียงต่างพูกหมอนส่วนหมวดที่สี่ท่านจัดเก้าอย่างเลยก็คือพวกหมอ้ออ่างกระถางกระทะที่เป็นโลหะแล้วก็มีดขวานพึงจอบสิวรวมเก้าอย่างแต่ว่าไอ้เก้าอย่างเนี่ยสามารถแยกได้ก็คือภาชนะสี่อย่างใช่ไหมหมอ้ออ่างกระถางกระทะที่เป็นโลหะเป็นพวกภาชนะ แต่ว่าพวกเครื่องมือก็คือมีดขวานพึงจอบสิวผู้อ่านก็เลยจัดแยกกันแต่ว่าเอาพวกอารามกับอารามวัตถุกัวิหารวิหารัตถุรวมกันเป็นหมวดแรกก็เลยเป็นสี่อย่างส่วนหมวดที่ห้าก็แปดอย่างเท่ากันก็คือเถาวันไม้ไผ่หญ้าปล้องหญ้ามุงกระตายหญ้าสา ม, มาดดินเหนียวพันดบไม้พันด ะ, น ด, ะดินพวกนี้นั้นก็จะจัดอย่างไหนก็ได้แต่ว่าให้จดจําได้ว่าอะไรคืออะไรแล้วก็จย่าไปแจกของสองก็แล้วกันเพราะว่ามีอบัตทุกกฎ พวกชาวบ้านมาเอาของสงไปก็าบาปกรรมมากเพราะว่าเอาไปก็ยังคงเป็นของสงอยู่นั่นเองก็ต้องเอามาคืนถึงไม่อย่างนั้นก็ต้องทําภาธิกรรมบอกกับทสงแล้วก็ขอทําภาธิกรรมไปพวกยืมพวกภาชนะของวัดทั้งหลายไปหมอ้ออะไรต่างๆเหล่านี้วินิจฉัยคาถาในครุภัณน์นั้นเพื่ทราบดังต่อไปนี้ก็ครุภัณฑ์แม้ทั้งปวงนี้ในเสนาตะขันตกะท่านกล่าวว่า อวิสัชฉิยังไม่ควรแจกในดีกาคีรีวัตุท่านแสดงว่าอาเวพังคิยังไม่ควรแบ่งวิตตัชะนี่แปลว่าแจกอวิสัชชิยังก็ไม่ควรแจกต่ววิพังวิพังก็แบ่งวิพังก็จำแนกนั่นเองอเวพังที่ยังก็ไม่ควรแบ่งอันหนึ่งมาในคาพีปริวาระว่า ครุพันห้าบวดพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสว่าไม่ควรแจกไม่ควรแบ่งแต่ไม่เป็นอาบาัตแก่ีิสุผู้สละผู้ใช้สอยปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วไม่เป็นอาบาัตแก่ผู้ที่สละแล้วก็ผู้ที่ใช้สอยด้วยใช้สอยเป็นของสองนี้ไ ม, ม่มีปัญหาอยู่แล้วนะถ้าใช้สอยเป็นของสองแม้ครุพันเหล่านี้เสียหายไปก็ไม่เป็นอันต้องใช้คืน แต่ถ้าใช้สอยโดยความเป็นของบุคคลก็คือยึดเอามาใช้เองเลยไม่ให้พระภิกษุอื่นร่วมใช้ด้วยอันนี้เสียหายก็ต้องเป็นสินใช้ต้องใช้คืนแต่สําหรับการสละสามารถสละได้เหมือนกันเช่นวิหารวิหารเป็นของสองฆ์เป็นครุภัณฑ์แต่ถ้าเกิดพระภิกษุลําบากลําบากด้วยพัฒหานจีวร อ, อะไรต่างเหล่านี้หรือว่าศรนาจนะอื่นๆเนี่ยมันกําลังจะพังเพราะฉนั้งก็ให้จําหน่ายให้ตละ เศนาสนะหลังหนึ่งสองหลังเพื่อที่จะได้นํานําปัจจัยหรือนําอะไรมาซ่อมแซมเสนาสนะหรือว่าเอามาเปลี่ยนเป็นค่าอาหารริษบาลหรือว่าชีวร อ, อันนี้ก็ด้วยความเห็นพร้อมของสงทำอปโรกนกรรมอนอ่ี้ได้เหมือนกันไม่มีอบัตติแต่ถ้าไปสละไปแจกโดยที่สงไม่ได้รับรู้ี่ไปแจกไปแบ่งก็ก็องอับปัตตุจใจไปสละไปแจกครุพันธ์ เพราะเหตุนั้นปุรุามอธิบายในคำนี้อย่างนี้ว่าครุพัณน์นี้ที่ว่าไม่ควรแจกไม่ควรแบ่งด้วยอำนาจขาดมูลแต่เมื่อพิกษุพูสละและใช้ต่อยด้วยอำนาจการแลกเปลี่ยนก็คือเป็นผาติกรรมไม่เป็นอาบัติก็มีทางออกให้ด้วยอนุปุกภีกาถาก็คือคำพูดที่กล่าวโดยลำดับในครุพัน์นั้นดังต่อไปนี้ ไม่ควรน้อมครุพันแม้ทั้งห้าชนิดนี้เข้าไปเพื่อประโยชน์แก่จีวรบินทบานและเพทัดกรคืออยู่ๆก็ไปแลกเปลี่ยนมาเป็นจีวรเป็นบิณทบานเป็นเพทัดทันทีเลยยังไม่ได้แต่จะเอาถาวรวัตถุแลกกับถาวรวัตถุเอาครุพันแลกกับครุพันนั้นควรอยู่ส่วนในถาวรวัตถุถาวรวัตถุเห็นปา น, นี้คือนา ที่นาบึงเหมืองพิกสุจะจัดการจะรับหรือจะอนุมัติแทนรงไม่ควรจะไปจัดการพวกนาที่นาเหมืองพวกบึงอะไรพวกนี้ไม่ได้ไปจัดการเงินทองนี่ก็ไม่ได้มีโทษด้วยสิ่งที่ได้มาก็ไม่ควรกับพิญันธั์ได้มาจากถาวรวัตถุที่กับพิยญากรกจัดการนั่นและจึงควรต้องมีผู้จัดการให้เรียกว่ากับพิยญากรกผู้ที่กระทำให้สาควรเป็นคนที่จัดการแลกเปลียนให้ อันหนึ่งจะเอาอารามแล ก, กถาวรวัตถุทั้งสี่อย่างนี้คืออารามอารามวัตถุวิหารวิหารวัตถุควรอยู่เอาพวกถาวนวัตถุแล ก, กถาวรวัตถุอันนี้ควรปริวัตตนในในครูพันสี่อย่างก็หมายถึงวิธีการที่จะหมุนเปลี่ยนหรือว่าแรกเนี่นะมีอารามเป็นต้นนั้นดังนี้ สวนมะพร้าวของสงอยู่ไกลทั้งพวกกัปยากะร ก, กินเสียมากกว่ามากคือคนที่คอยดูแลให้จัดการให้เป็นกับยานตะกินจะมากกว่าเอามาถวายสงนิดหน่อยแม้ที่ไม่ได้กินก็ต้องชักออกให้ค่าจ้างเกวียนเสียต้องขนออกมาก็ต้องให้ค่าจ้างเขานำมาถวายน้อยเต็มทีส่วนคนเหล่าอื่นที่อยู่ในบ้านซึ่งไม่ไกลตัวนั้นมีสวนอยู่ใกล้วัด ส่วนของวัดอยู่ในหมู่บ้านอยู่ไกลจากวัดแต่ส่วนของชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นก็อยู่ใกล้วัดเพราะฉะนั้นสมควรในการที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เขาเข้าไปหาสง์ขอเอาสวนของตนแลกเอาสวนนั้นสงพึงอับปโลกว่าสงเห็นชอบแล้วรับเธอถ้าเขามาหาสงพระภิกตุไม่ต้องไปหาโยมเองถึงแม้ว่าสวนของพวกภิกตุมีต้นไม้พันต้นสวนของชาวบ้านมีต้นไม้ห้าร้อยต้น ถ้ามีผลมากกว่าก็ไม่ควรเกลียดว่าส่วนของท่านเล็กเพราะส่วนนี้เล็กก็จริงแต่ที่แท้ส่วนนี้ย่อมให้ผลมากกว่าส่วนนอกจากนี้เพราะว่าสวนของสงนี้อาจจะไม่ได้รับการดูแลบํารุงอย่างดีแต่สวนชาวบ้านเขาก็ดูแลบํารุงอย่างดีเพราะว่าเขาต้องการผลผลิตให้จาหน่ายเพราะฉะนั้นเจ้าสวนของสงมีต้นไม้พันต้นส่วนของโยมมีต้นไม้ห้าร้อยต้นแต่ผลผลิตเขามากกว่า ก็อย่าไปเกี่ยงว่าผลข้าวเล็กมีต้นไม้น้อยพวกผลไม้มีมากกว่าทําอัปรโรคณกรรมกันแล้วทรงเห็นชอบแล้วก็รับได้ถึงแม้ว่าส่วนนี้จะให้ผลเท่าๆกันแม้อย่างนั้นจะยอมรับด้วยมุ่งหมายว่าสา ม, มารถบริโภคได้ทุกขณะที่ต้องการก็ควรก็คือผลไม้ก็เท่าเๆกันต้นไม้เท่าๆกันแต่ว่าอยู่ใกล้วัดไม่ต้องเสียค่าคนย้ายอะไรต่ตางๆก็ควรที่จะรับ แต่ถ้าสวนของพวกชาวบ้านมีต้นไม้มากกว่าพึงกล่าวว่าต้นไม้ของพวกท่านมีมากกว่าไม่ใช่หรือถ้าเขาตอบว่าสวนที่เกินเลยไปจงเป็นบุญของพวกข้าพเจ้าข้าพเจ้าถวายงาสงฆ์ก็สมควรให้พิจุสงทราบแล้วจึงรับไว้ก็คืออาปลูกให้ตราบนั้นเองต้นไม้ของพวกพิจุมีผลต้นไม้ของพวกชาวบ้านยังไม่ทันผลผลพึงยอมรับแท้ด้วยเล็งเห็นว่าต้นไม้ของพวกชาวบ้าน ยังไม่ผลดผลก็จริงแต่ไม่นานก็จะผลกดผลต้นไม้ของพวกชาวบ้านมีผลต้นไม้ของพวกพิจุยังไม่ทันผลดผลพึงกล่าวว่าต้นไม้ของพวกท่านมีผลไม่ใช่หรือถ้าเขาถวายว่ารับเถอะท่านผู้เจริญจกเป็นบุญแก่พวกข้าพเจ้าสมควรให้พิษุทรงทราบแล้วก็รับเอาไว้อารามกับอารามพึงแรกกันด้วยกระตารชนีดนี่ก็คือสวน ส่วนอารามวัตถุก็ดีวิหารก็ดีวิหารวัตถุก็ดีกับอารามพึงแลกกันโดยในนี้แลอันหนึ่งอารามอารามวัตถุวิหารวิหารวัตถุก็พึงแลกกับอารามวัตถุที่ใหญ่ก็ตามเล็กก็ตามโดยในนี้เหมือนกันก็คือถ้าของญาติโยมใหญ่กว่าก็ควรจะต้องถามเขาบอกเขาว่าเอาของท่านใหญ่กว่าไม่ใช่หรือมีต้นไม้มากกว่าไม่ใช่หรือมีผลไม้ไม่ใช่หรือส่วนของพระพิสูจนี่ไม่มีต้นไม้เล็กกว่ายังไม่มีผล ถ้าเขาบอกว่าจะถวายเป็นบุญไปก็แลกกันได้พ่สุกก็รับได้แต่ต้องให้สงทราบด้วยวิหารกับวิหารจะแลกกันอย่างไรก็มีคาถามอย่างนี้นะตอบว่าเรือนของสงนั้นอยู่ภายในบ้านมีคนก็ถวายเรือนให้สงแต่ว่าเรือนนั้นเนี่ยอยู่ภายในหมู่บ้านตัวปราสาทของชาวบ้านนั้นอยู่กลางวัดสลับกันได้ก็อาจจะมี การมาสร้างเอาไว้ก่อนแล้วก็มีคนถวายที่แต่ว่าที่ของโยมอยู่กลางที่ของวัดเลยที่ของวัดก็อยู่ล้อมรอบๆ บ, บ, บ้านของโยมอยู่ร้อมประสาทของโยมเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วว่าประสาทขชาวบ้านอยู่กลางวัดแต่ว่าเรือนของสงฆ์นี่ไปอยู่ในหมู่บ้านทั้งสองอย่างว่าโดยราคาก็เป็นของเท่ากันถ้าว่าชาวบ้านขอเอาประสาทนั้นแลกเรือนนั้นสมควรรับ เรือนของพวกพฤฤิจูตมีราคามากกว่าและเมื่อพฤฤิจูตกล่าวว่าเรือนของพวกเรามีราคามากกว่าเ <nder ga: S 1> ขาตอบว่าเรือนของพวกท่านมีราคามากกว่าว่าจริงแต่ไม่สมควรแก่บรรพชิตบรรพชิตไม่สามารถอยู่ในเรือนนั้นได้เพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านถ้าจะไปอยู่ในเรือนนั้นมันไม่เหมาะสมจะอยู่ในละแวก บ, บ้า น, มนไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งตัวพวกวิษภานคารมพวกอิทธารมอะไรต่างๆนี้มันก็มารังควานพระพิจูตได้ หรือว่าจะดื้อมามันก็ต้องมาตูกใหม่ด้วยส่วนเรือนนี้สมควรขอท่านทั้งหลายจงรับเถิดแม้อย่างนี้ก็ควรรับ้ายาทโยมก็มีเหตุผลอย่างนี้ก็รับได้ถ้าเรือนของชาวบ้านมีราคามากกว่าพิสุพึงกล่าวว่าเรือนของพวกท่านมีราคามากไม่ใช่หรือแต่เมื่อเขาตอบว่าช่างเถอท่านผู้เจริญจะเป็นบุญแก่พวกข้าพเจ้าโปรดรับเถิดดังนี้ก็สมควรรับ วิหารกับวิหารก็พึงแลกกันอย่างนี้ส่วนวิหา ร, รวัตถุประดีอารามก็ดีอารามวัตถุปะดีพึงแลกกับวิหารโดยในนี้แลอันหนึ่งวิหารวิหา ร, รวัตถุอารามและอารามวัตถุก็พึงแลกกับวิหารวัตถุที่มีราคามากกว่าตามมีราคาน้อยกว่าตามโดยในนี้เหมือนกันพระวิตุก็พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมเพราะว่าสิ่งที่อยู่ไกลจากวัด ก็ไม่เหมาะสมนะจะเป็นสวนก็ดีจะเป็นเรือนก็ดีจะเป็นปราสาททั้งหลายอยู่ไกลจากวัดแต่ถ้าเกิดมีที่ที่เหมาะสมที่จะแลกันได้หรืออยู่ใกล้วัดก็ควรที่จะรับแลกก็ต้องมีกัปยการกับการพึงทราบการแลกถาวรวัตถุกับถาวรวัตถุอย่างนี้ก่อนส่วนวได้ใช้ในการแลกครุพันกับครุพันอย่างอื่นพึงทราบดังต่อไปนี้ เตียงต่้งจะใหญ่หรือเล็กก็ตามโดยที่สุดมีเท้าเพียงสี่นิ้วแม้ที่พวกเด็กชาวบ้านซึ่งยังเล่นในโรงฝุ่นทําขึ้นย่อมเป็นครุภัณฑ์ถ้าก็ถวายสงแล้วก็เป็นครุภัณฑ์เท่านั้นกระทั่งเตียงมีเท้าสี่นิ้วเท่านั้นเนี่ยนะตั้งแต่เวลาที่ถวายสงแล้วก็เป็นครุภัณฑ์แม้ถ้าพระราชาและราชามหาอมาตเป็นต้นถวายเพียงคราวเดียวเท่านั้นตั้งร้อยเตียงหรือพันเตียง เตียงที่เป็นกับย่าทั้งหมดพึงรับไว้ครั้นรับแล้วพึงแจกตามลําดับผู้แก่กว่าท่านจงใช้สอยโดยเป็นเครื่องใช้สอยของสงฆ์อย่าให้เป็นส่วนตัวบุคคลเพราะว่าเขาถวายรงนะแต่มาแจกไปใช้กันได้เพราะว่าภิกษุทั้งหลายบวชเข้ามาก็เพื่อที่จะเป็นพระอริยสงฆ์นั่นแหละแม้จะตั้งเตียงที่เกินไว้ในเรือนคลังเป็นต้นแล้วเก็บบาจีวรก็ควร เตียงที่เขาถวายนอกสีมาว่าครับเจ้าถวายแก่สงดังนี้พึงให้ไว้ในสถานที่อยู่ของพระสังฆเถระถ้าในสถานที่อยู่ของพระสังฆเถระนั้นมีเตียงมากไม่ต้องใช้เตียงในสถานที่อยู่ของพิสุใดต้องใช้เตียงพึงให้ไว้ในสถานที่อยู่ของพิสุ น, ส น, สนั้นสั่งว่าท่านจงใช้สอยเป็นเคร fierce, an, ื่องใช้สอยของสงอย่าไปใช้เป็นของส่วนตัวก็คือแบนปันให้คนอื่นใช้ได้ถ้าคนอื่นต้องการ เตียงมีราคามากคือทีราคาตั้งร้อยหรือว่าพันกับหาปะนะจะแลกเตียงอื่นย่อมได้ตั้งร้อยเตียงควรแลกเอาไว้เพราะว่าราคามากแค่ไหนก็แล้วแต่ให้สมเห็จ ป, ประโยชน์คือการนอนเช่นเตียงมีราคาน้อยแต่ว่าถ้านอนได้ไม่ผุไม่พังควรจะแลกเอาไว้เอาราคาแพงไปแลกกับราคาถูกแต่ว่าได้หลายๆเตียงเพื่อประโยชน์แกพิจิตที่จอดมาบำเพ็ญสมณธรรมต่างๆก็ได้ประโยชน์มิใช่แต่แลก เตียงด้วยเตียงอย่างเดียวเท่านั้นแม้อารามอารามวัตถุวิหารวิหารวัตถุต่างฟูกและหมอนก็ควรแลบสามารถทำปฏิกรริมได้ทั้งนั้นแม้ในต่างฟูกและหมอนก็ในนี้แม้ในเตียงต่างฟูกหมอนเหล่านี้สิ่งที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะนั้นที่เป็นอกัปปิยะไม่ควรใช้สอยที่เป็นกัปปิยะพึงใช้สอยเป็นเครื่องใช้ของสง์ ที่เป็นอากัญยะยิที่ไม่สมควรนะี่นะหรือว่าเป็นกัปปิยะสมควรมีค่ามากพึงแรกเอาวัตถุที่กล่าวแล้วไว้ขึ่นชื่อว่าฟูกและหมอนที่ไม่จัดเป็นครุพันนั้นย่อมไม่มีเลยมันจะเป็นเตียงตังฟูกหมอนที่เป็นกัปปิยะอกัญญัสามารถที่เอาไปแลกได้แต่ว่าถ้าเป็นอกบัญญันั้นไม่ควรใช้เช่นเตียงสูงเกินประมาณหรือว่ามีที่เป็นทาวสัตว์ร้ยฟูกหมอนที่ ใช้นุ่นที่เป็นอกัปิยะพวกนี้ไม่ควรที่จะใช้แต่ว่าเอาไปแลกได้ครุพันสามอย่างนี้ก็คือหม้อโลหะอ่างโลหะกระทะโลหะจะใหญ่หรือเล็กก็ตามโดยที่ตุดแม้จุน้ําเพียงฝายมือหนึ่งย่อมเป็นครุพันเหมือนกันเป็นของทรงจุน้ําได้เพียงฝายมือเดียวถ้าเป็นพวกหม้อโลหะอ่างโลหะกระทะโลหะใหญ่เล็กแค่ไหนก็เป็นครุพัน ส่วนขวดโลหะขวดโลหะที่เป็นเหมือนหม้อน้ําม้ออินเดียเนียมขวดที่ทําด้วยเหล็กทองแดงสัมฤทธิ์ทองเหลืองอย่างใดอย่างหนึ่งจุน้ําได้บาทหนึ่งในเกาะสิงห์ผลแจกกันได้ถ้าจุน้ําได้บาทหนึ่งสำหรับขวดโลหะที่ชื่อว่าบาทเดิมก็จุน้ําประมาณห้าธนานมคตที่จุน้ําเกินกว่านั้นก็เป็นครุพันแต่ถ้าเล็กกว่านี้แจกกันได้เป็นลูกพัน ภาชนะโลหะที่มาในบาลีเท่านี้ก่อนส่วนน้ำเต้าทองกระโถนกระบวยทัพพีช้อนถาจานชามพระอกอั้งโลภและทัพพีตักวันเป็นต้นแม้ไม่ได้มาในบาลีจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามก็เป็นครุพันหมดทุกอย่างไม่ใช่ยี่สิบห้าอย่างแล้วทีเนี้ยก็เพิ่มอีกนะก็คือพวกน้ำเต้าทองดูสิกี่อย่างน้ำเต้าทองหนึ่ง สองกระโถนสามกระบวย 4. สี่ทัพีห้าช้อนหกถา 7. เจ็ดจานแปดชามเก้าผ้าอกสิบอั้งโลกสิบเอ็ดทัพีตักควันแล้ ว, วก็บอกว่าเป็นต้นนั้นยังมีอย่างอื่นกตกลงแล้วพวกช้อนชามถาอะไรต่างเหล่านี้แก้วเก้ออะไรพวกนี้นี่เป็นครุพันบทเพราะฉะนั้น ท, ท่านพรกสุใช้ไม่ดีก็ต้องทำแตกเอาไปใช้นของส่วนตัวนี่ เป็นเป็นสิ่งใช้จะต้องมาใช้คืนถ้าเกิดญาติโยมยืมมาไปก็ต้องมาชดใช้ด้วยมิฉะนั้นก็เป็นบาปอันนี้ก็เป็นครุพัณฑ์ที่มานอกบาลีบาลีพระพุท พ, ดพดสดังยี่สิบห้าอย่างแต่ว่านอกบาลีนี้สแสดงอีกสิบเอ็ดอย่างแล้วก็บอกไว้ว่าด้วยเป็นต้นแต่พันดะเหล่านี้คือบาทเหล็กภาชนะเหล็กภาชนะทองแดงเป็นของควรแจกกันได้ตรงนงก็ไม่ใช่ครุพัณฑ์ ถ้าเป็นบาดเหล็กเป็นภาชนะเหล็กถ้าเป็นบาดเหล็กภาชนะเหล็กภาชนะทองแดงเป็นของควรแจกกันได้ภาชนะแหววาวที่ทําด้วยสมัมฤทธิ์หรือว่าทองเหลืองควรใช้ถอยเป็นเครื่องใช้ของสงหรือว่าเป็นที่หิบวิกาจะเป็นภาชนะแหววาวโดยทั่งถ้าเป็นทองด้วยนะทองนี่ใช้เป็นของประดารรมเสนาสนะอันนี้ก็จับต้องใช้ถอยได้แต่ใช้ของตอนเองไม่ได้ ภาชนะแววาวที่ทําด้วยสมัมฤทธิ์แล้วก็พวกทองเหลืองใช้สอยเนของสงหรือว่าเป็นของของพวกกระหัสดิฮิวิกัดไม่ควรใช้สอยเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวบุคคลในมหาปัญจเรียกได้ว่าภาชนะสมัมฤทธิ์เป็นต้นที่เขาถวายสงจะรักษาไว้ใช้เองไม่ควรพึงใช้สอยโดยทํานองที่หีิวิกัดเท่านั้นก็คือใช้แบบของกระหัสดึง ม, มาใช้ ส่วนในสิ่งของโลหะที่เป็นกัปปิยะแม้อย่างอื่นยกเว้นภาชนะแหวววสิยะกล่องยาตาไม้ป้ายาตาไม้แค่หูเข็มเหล็กจานมีดน้อยเหล็กมาคุญแจลูกดานไม้เทา้าห่วงกล้องยานัทสว่านรางโลหะแผ่นโลหะแท่งโลหะก้อนโลหะล้อโลหะสิ่งของโลหะที่ทำค้างไว้แม้อย่างอื่นเป็นของควรแจกกันด้ สว่านว่ารายรนี้ก็แจกได้นะกุญแจเหล็กมาก็คือเหล็กเจาะ น, นั่นแหละส่วนกล้องยาสูบภาชนะโลหะโคมมีด้ามโคมตั้งโคมแขวนรูปสตีรูปบุรุษและรูปสัตว์เดรัจฉานหรือสิ่งของโลหะเหล่าอื่นพึงติดไว้ตามฝาหลังคางหรือว่าบานประตูเป็นต้นสิ่งของโลหะทั้งปวงโดยที่สุดจนกระทั่งตะปูย่อมเป็นครุพันเหมือนกัน ตะปูนี้ก็เป็นครุภัณฑ์เออเหมือนพวกค้อนพวกอะไรนี้ก็เป็นครุภัณฑ์ด้วยแต่ว่าพวกนี้นี่ทำไมไม่เป็นครุภัณฑ์พวกกลองยาตาไม้ป้ายาตาไม้แคะหูเข็มเหล็กจานมีดน้อยเหล็กหมากุญแจลูกดานไม้เท้าห่วงกล้องยานับสว่าน์รางโลหะแผ่นโลหะแท่งโลหะก้อนโลหะล้อโลหะพวกนี้ไม่ใช่ครุภัณฑ์แกันได้แต่ว่าตะปูนี่เป็นครุภัณฑ์ แม้ตนเองได้มาก็ไม่ควรเก็บไว้ใช้อย่างเครื่องใช้ถอยส่วนตัวนะในใช้ส่วนตัวบุคคลนี้ไม่ควรควรใช้อย่างเครื่องใช้ของสงหรือว่าใช้เป็นขี่วิกัดที่วิกัด ก, ก็ใช้เป็นสมเด็จจากของคดหักแม้ในติ่งของดีบุกก็มีในนี้เหมือนกันพวกจานและขันเป็นต้นที่ทำด้วยหินอ่อนก็เป็นครุภัณฑ์เหมือนกันพวกจานพวกขันที่เป็นหินอ่อนเป็นต้น ส่วนหม้อหรือว่าภาชนะน้ำมันที่ใหญ่เกินกว่าจุน้ำมันบาทหนึ่งขึ้นไปเท่านั้นเป็นครุพันถ้าเล็กกว่านี้ก็จัดเป็นระหุพันแจกได้ภาชนะทองคำเงินนาคและแก้วผลึกแม้เป็นที่หิวิกัดก็ไม่ควรใช้ของกระถัดก็ไม่ได้ไม่จำต้องกล่าวถึงใช้อย่างเป็นเครื่องใช้ของสงหรืออย่างเครื่องใช้ส่วนตัวบุคคลใช้ไม่ได้เลย แต่ในเครื่องใช้สําหรับเสนาสนะสิ่งของทุกอย่างทั้งที่ควรจับต้องทั้งที่ไม่ควรจับต้องจะใช้ใส่ก็ควรเกิดใครเขาทําที่วางของเล็กๆหรือว่ากล่องใส่ภาชนะใส่ตะบู่อะไรอย่างเงี้ยนะเกิดก็ทําทเป็นทองคํำมาไว้ในเสนาสนะไว้ใช้ใส่หรือโคมไฟเป็นทองคำํำผสมทองเอาไว้เป็น ของใช้ในเซนาัสนะอันนี้ก็ใช้ใส่เป็นของเซนนัสนี่ได้นะจะไปใช้เป็นส่วนตัวนี่ไม่ได้ของเซนาัสนะก็เป็นของทรงนั่นแหละหรือว่าเซนาัสนะเขาเพื่อหัดดูแลแต่ถวายเป็นของทรงก็ได้ในมีดเป็นต้นมีดที่ไม่อาจใช้ทําการใหญ่อย่างอื่นได้ยกเว้นการตัดไม้สีฟันหรือว่าปอกอ้อยเสียเป็นของควรแจกกันได้นี่ก็เป็นมีดเล็ก ถ้ามีใหญ่นนั้นก็เป็นครุพันมีที่ทําด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งใหญ่กว่านั้นเป็นครุพันส่วนขวานโดยที่สุดแม้สําหรับตัดเอ็นของพวกแพทย์ก็เป็นครุพันเหมือนกันสมัยก่อ น, นับในใจขวานตัดเ อ, อ็น ข, ของแพทย์พวกหมอผ่าตัดแพทย์ผ่าตัดทั้งหลายในพึงมีวิธิใชยเช่นขวานนั่นเองก็ไว้ถากต้นไม้พึงเนี่ยส่วนพึงที่ทําโดยสังเกตว่าเป็นอาวุธเป็นอนามาจับต้องไม่ได้ถ้าใช้เป็นอาวุธ จอบโดยที่สุดแม้ขนาดสี่นิ้วย่อมเป็นครุพันแท้จอบก็เป็นครุพันด้วยซิลมีปากเป็นสี่เหลี่ยมก็ดีมีปากเป็นรานก็ดีปากโค้งก็ดีปากตรงก็ดีโดยที่สุดแม้เหล็กเจาบด้ามไม้กวาดหากเป็นของเข้าด้ามไว้เป็นครุพันแทะถ้าเป็นของเข้าด้ามแต่ว่าอันนี้บอกว่าเหล็กมากับพวกสว่านนี่ก็เป็นลูกพันแจกกันได้แต่ถ้าเป็น เหล็กเจาะมันจะต่างยังไงกับพวกเหล็กมากับสว่างเอาสังเกตว่าถ้าเป็นเหล็กมาเป็นสว่างที่แน่ใจได้ก็คืออย่าใส่ด้ามเลยแล้วกันเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเหล็กเจาะด้ามไม่กวาดไม่มีด้ามมีแต่ตัวเท่านั้นเป็นของอาใส่ฝากรักษาเอาไว้ได้เป็นของควรแจกแต่ว่าเหล็กเจาะด้ามไม่กว่าหากเป็นของเข้าด้ามไว้เป็นครุพัณฑ์ ถ้าเข้าด้ามเป็นครุภัณฑ์ถ้าไม่ได้เข้าด้านนี่ก็เป็นของอาใส่ฝักรักษาไว้ได้ก็เป็นของควรแจกแม้เหล็กแหลมก็สงเคราะห์ด้วยสิวนั่นเองสงเคราะห์ที่สิวนะสิวนี่แจกไม่ได้นะแต่สว่านนี่แจกได้มีเป็นต้นเป็นของทีชนเหล่าใดถวายไว้ในวิหารหากชนเหล่านั้นเมื่อถูกไฟไม่เรือนหรือว่าถูกโจนปล้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญจงให้เครื่องมือแก่พวกขับเจ้าเถิดแล้วจับคืนให้อีก ก็ควรให้แต่เขาถวายมาแล้วแต่ว่าเขามีอันตรายไฟไม่เรือนอะไรก็จะขอยืมไปใช้อะไนี้ก็ควรให้ไปถ้าเขานํามาส่งอย่าพึงห้ามแม้เขาไม่นํามาส่งก็ไม่พึงทวงครามมีอันตรายต่ออนุเคราะห์เครื่องมือที่ทําด้วยโลหะทุกอย่างมีทั้งค้อนคีมและขันช่างเป็นต้นของช่างไม้ช่างกลึงช่งางศาลช่างแก้วและช่างบุบบา เป็นครุพันธ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกทัานพวกคอนพวกคีนพวกนี้นี่เป็นครุพันธ์ทั้งหมดเลยตั้งแต่การที่ถวายตรงแล้วแม้ในเครื่องมือของช่างดีบุกช่างทองและช่างหนังก็มีในนี้เหมือนกันตกลงเครื่องมือของช่างทั้งหมดนี้นะก็เป็นครุพันธ์หมดเลยส่วนความที่แปลกกันดังนี้เครื่องมือเหล่านี้คือในพวกเครื่องมือของช่างดีบุกเล่ามีดตัดดีบุกในพวกเครื่องมือของช่างทองมีดตัดทอง ในพวกเครื่องมือของช่างหนังมีดเล็กสำหรับตัดหนังที่ฟอกแล้วเป็นสิ่งที่ควรแจกถ้าเป็นพวกมีดเล็กที่ใช้ตัดดีบุกตัดทองหรือว่าที่ใช้ตัดหนังอันนี้แจกได้แม้ในเครื่องมือของกลบกและช่างชุนเว้นกันไกลใหญ่แหนบใหญ่และมีดใหญ่เสียควรแจกทุกอย่างกันไกลใหญ่เป็นต้นเป็นครุพันถ้าเป็นเครื่องมือเล็กๆอันนี้ก็แจกกันได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องมือใหญ่นี่ก็แจกไม่ได้วิรีใช้ในถาวรเป็นต้นปุงสร้างดังนี้ถาวรชนิดหนึ่งมีไหวเป็นต้นประมาณเพียงครึ่งแขนที่เขาถวายสงก็ตามที่เกิดขึ้นในธรณีสงนั้นก็ตามซึ่งสงรักษาปกครองไว้เป็นครุพันถาวร น, นั้นเมื่อการงานของสงและการงานที่เจดีทาสาเร็จแล้ว ถ้าเป็นของเหลือจะน้อมเข้าไปในการงานส่วนตัวบุคคลบ้างก็ควรแต่ทวันที่ส่งไม่รักษาไม่เป็นครุพันเลยอัอ น, นี้จะต้องหมายถึงทวันที่ส่งรับษาถ้าเป็นพวกของที่ส่งไม่ได้รักษาอยากจะรื้ออยากจะถอนอยากจะทําลายที่ตามเช่นต้นไผ่น่นะเป็นครุพันเพราะฉะนั้นมันขึ้นมาแล้วก็มันรกวัดมากานะนต้องการที่จะถอนต้องการที่จะ ทำลายพวกนี้ป้าไม่จัดเป็นครุภัณฑ์แล้เพราะว่าส่งไม่ได้รักษาเชือกหรือว่าพวนที่ทําเสร็จด้วยได้ปอปานเส้นมะพร้าวและหนังก็ดีเชือกเกลียวเดียวหรือว่าสองเกลียวที่เขาฟันปานหรือว่าเส้นมะพร้าวทาก็ดีย่อมเป็นครุภัณฑ์เหมือนกันพวกเชือกพวกเกลียวอะไรต่างๆอันนี้เป็นครุภัณฑ์ตั้งแต่เวลาที่เขาถวายส่งแล้วเนี่ยจัดเป็นครุภัณฑ์หมด ส่วนได้ที่เขามีได้ฟั่นถวายและปอป่าและเส้นวัชพลาแจกกันได้นะที่ยังไม่ได้ฟัน่นอันหนึ่งเชือกและพวนเป็นต้นเหล่านั้นเป็นของที่ชนเหล่าใดถวายชนเหล่านั้นจะยืมไปด้วยกรรยารเงินกิจของตนไม่ควรห่วงห้ามแม้ค้าถวายแล้วแต่ว่าเขาจําเป็นจะต้องใช้มีอันตรายหรือว่ามีกิจการรี้ด่วนไม่ควรห้ามจะยืมก็ยืมเอาไปไม้ไผ่ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยที่สุดแม้ขนาดเท่าเข็มไม้ยาวแปดนิ้ว แค่ยาวแปดนิ้วทั้งที่เขาถวายสงหรือว่าเกินในธรณีสงนั้นซึ่งสงรักษาปกครองไว้เป็นรูปพันธ์สรุปว่าถ้าเป็นพวกไม้ไผ่พวกเถาวันย์พวกอะไรพวกนี้ถ้าสงยังปกครองหวงแหนอยู่เอาไว้ใช้งานีน่จัดเป็นครูปพันธุ์แต่ถ้าไม่ห่วงแหนไม่ต้องการเอาไว้ใช้งานอะไรแล้วต้องการจะทิ้งอันนี้ก็ไม่จัดเป็นครูปพันธุ์ใครอยากเอาไปก็เอาไปเมื่อการงานของสงและการงานที่เจดีทําสําเร็จแล้วแม้ไม้ไผ่นั้นยังเหลือ จะให้ในการงานเป็นส่วนตัวบุคคลก็ควรก็ในพันธะคือไม้ไผ่นี้ของเช่นนี้คือกระบอกน้ำมันจุน้ำมั น, น, มนบาทหนึ่งไม้เท้าคานรองเท้าคันร่มสี่ร่มเป็นของแจกกันได้พวกชาวบ้านที่เรือนถูกไฟไหม้ฉวยเอาไปไม่ควรห้าม่วยเอาไม้ไผ่่วยเอากระบอกฉวยเอาไม้เท้าอะไรต่างๆที่สำเร็จด้วยไม้ไผ่ไตก็ไม่ควรจะห้าม เมื่อพิกตุจะถือเอาไม้ไผ่ที่ทรงรักษาดูแลไว้ต้องทําถาวรวัตถุที่เท่ากันหรือเกินกว่าโดยที่สุดทําผาติกรรมแม้ด้วยทรายซึ่งมีราคาเท่าไม้ไผ่นั้นเพราะฉะนั้นสามารถถือเอาได้แต่ว่าต้องทําผาติกรรมแล้วจึงถือเอาเมื่อไม่ทําผาติกรรมถือเอาต้องใช้สอยในวัดนั้นเท่านั้นก็คือต้องใช้สอร้อนของสงในเวลาที่จะไปต้องเก็บไว้ในที่อยู่ของสงก่อนจึงค่อยไป พิฆตูถือเอาไปด้วยความหลงลืมสติต้องส่งคืนให้พิกษูผู้ไปต่างทินเพิ่งเก็บไว้ในที่อยู่ของสงในวัดที่ไปถึงถ้าเกิดเอาข้าวของของสงไปด้วยการหลงลืมนั้นไปถึงวัดไหนก็ต้องเอาไปส่งคืนที่วัดนั้นแล้วก็บอกว่าให้เขาใช้ถอยเป็นของสงญ้านั้นคือย่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหลือนอกจากญ้ามุงกระตายและหญ้าปล้องก็ในที่ใดไม่มีญ้า ในที่นั้นเขามุงด้วยใบไม้เพราะฉะนั้นแม้ใบไม้ก็ต้องเคราะห์เดาเหมือนกันในหญ้ามุงกระต่ายเป็นต้นหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งแม้มีประมาณกำมือหนึ่งแม้ในใบไ ม, ม้มีใบาตาลเป็นต้นแม้ใบเดียวที่เขาถวายสงหรือที่เกิดในธรณีสงนั้นหรือเป็นหญ้าที่เกิดจากสวนหญ้าของสงภายนอกอารามซึ่งสงรักษาดูแลไว้เป็นครุพันธ์ สมัยนี้นี่เขาตัดเขาทาลายไม่มีราคาเพราใช้กระเบื้องใช้อะไรสักรกะสีสมัยก่อนก็ใช้หญ้ามุงกัังคาแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะนักตาส่งไม่ได้ ห, งหวงแหนก็าสามารถที่จะแจกกันได้ใครจะเอาไปทําอะไรเป็นเรี่ยงโคไปเรื่องอะไรก็ไปเมื่อการงานของส่งและการงานที่จะดีเสร็จแล้วหญ้าแม้นั้นยังเหลือจะใช้ในการงานเป็นส่วนตัวบุคคลก็ควรพวกชาวบ้าน ผู้ถูกไฟไม่เรือนช่วยเอาไปก็ไม่ควรห้ามใบลานเปล่าแม้ขนาดเพียงแปดนิ้วก็เป็นครุพันเหมือนกันสมัยนี้ก็เอาใบลานไปทําอะไรนะทำไมก่อนก็ใช้จานเขียนหนักสือสมัยนี้มีสมุมดมีเครื่องมือมีคอมพิวเตอร์มีอะไรต่างนี่นาทันสมัยมากมันก็ไม่มีกรรหวงแหนแล้วมันแต่ถ้าสองยังห่วงแหนอยู่ก็เป็นครุพันดินเหนียวจะเป็นดินธรรมดาดินห้าสีปูนขาวก็ตามที หรือบรรดาอย่างสนและชันเป็นต้นอย่างชนิดใดชนิดหนึ่งที่เขานํามาถวายในที่ซึ่งหาได้ยากก็ดีที่เกิดในธรณีสงนั้นก็ดีขนาดเท่าผลตาลสุกซึ่งสงรักษาดูแลไว้เป็นครุพันถ้าสงไม่รักษาไม่ดูแลไม่สนใจต้องการที่จะทิ้งต้องการจะจําหน่ายออกไปก็เอาไปแจกกันได้เมื่อการงานของสงและการงานของเจดีทําสําเร็จแล้ว อย่างแม้นั้นก็เหลือจะใช้ในการงานเป็นส่วนตัวบุคคลก็ควรต่วหิงคุรงหอรดานมโนศิราและแร่ทวงเป็นของควรแจกกันได้วิจิชรยในพันดะไม้พึงทราบดังนี้ในกรุนทีแก้ว่าพันดะไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งแม้ขนาดเท่าเข็มไม้จานยาวแปดนิ้วจานก็หมายถึงเอาไว้เขียน เขาถวายสงในที่ซึ่งหาได้ยากหรือเกิดในธรณีสงนั้นซึ่งสงรักษาคุ้มครองนี้เป็นครุพันส่วนในมหาอัตถกถาสงเคราะห์อของแปลที่ทำด้วยวัตถุเป็นต้นว่าไม้จริงไม้ไผ่หนังและศิลาแม้ทุกอย่างด้วยพันดะไม้แล้วกล่าวินิจฉัยในพันดะไม้จำเดิมอาสันธิอันสันธิก็หมายถึงที่นั่งนะเป็นพวกปัญจังฆสัตตังฆอะไรพวกนี้ มีองค์ห้ามีองค์เจ็ดในมหาอารักถานั้นไขความดังนี้ในของเหล่านี้ก่อนคือตังสี่เลียนจตุรัสตังมีพนักสามด้านตังหวายตังสามันตังขาทรายตั้งมีก้านมะขามป้อมมีเท้าเป็นก้านมะขามป้อมมะขามป้อมมานะแล้วก็ตังมีพนักด้านเดียวตั้งกระดานเก้าอี้ตั้ยักษางชนิดใดชนิดหนึ่งเล็กหรือใหญ่ ก็ตามที่เก่าถวายรงแล้วก็จัดเป็นครุภัณฑ์พวกตังเตียงอะไรพวกนี้นี่เป็นครุภัณฑ์หมดอันหนึ่งแม้ตังที่ยัดด้วยใบตองเป็นต้นสงเคราะห์ในตังเหล่านั้นด้วยตังยัดฟาองเก้าอี้ที่หุ้มด้วยหนังเสือโคร่งก็ดีบุ ด, ด้วยรูปสัตว์ ร, ร้ายก็ดีคลิปด้วยรัตน์ก็ดีเป็นครุภัณฑ์เหมือนกันแน่ในของเหล่านั้นคือกระดานจงกลมกระดานยาวกระดานซักจีวรกระดานรองทุบ ตะลุมพุกสําหรับทุบเขียงรองตัดไม้สีฟันไม้คอนถังไม้รางย้อมกระโถนสมุกไม้จริงสมุกก็เหมือนกับพระโอปนะหรือสมุกงาหรือสมุกไม้ไผ่มีเท้ากระตามไม่มีเท้ากระตามหีดขวดมีขนาดไม่เกินจุน้ําบาตรหนึ่งรางน้ําไหน้ํากระบวยทับทีขันน้ําสังตักน้ํา ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ถวายตรงมาแล้วก็จัดว่าเป็นครุภัณฑ์หมดของที่เป็นไม้เครื่องไม้ทั้งหลายเหล่านี้ส่วนภาชนะที่ทำด้วยสังแจกกันได้ภาชนะที่ทำด้วยสังหม้อน้ำที่ทำด้วยไม้ก็เหมือนกันหม้อน้ำที่ทำด้วยไม้แจกกันได้แต่ถ้าหม้อน้ำที่ทำด้วยโลหะอันนี้แจกกันไม่ได้นะเป็นครุภัณฑ์เสเวียนเช็ดเท้า จะทําด้วยไม้หรือทำด้วยแผ่นผ้าเป็นต้นก็ตามทีเป็นครุภัณฑ์ผ้าเช็ดเท้านี่ก็จัดเป็นครุภัณฑ์ น, นะสิตัเวเอเช็ดเท้าเนี่ยบอกว่าทํำด้วยไม้หรือแผ่นผ้าก็ตามแผ่นผ้าเช็ดเท้าต้องจัดเป็นครุภัณฑ์ด้วยแหละแม้ในของเหล่านี้ก็คือเชิงบาดฝาบาดพัดใบาตาลพัดวีชณีพระอบกระเช้าไม้กวาดด้ามยาวไม้กวาดด้ามตั้ยงยางใดอย่างหนึ่งจเจรเ็กหรือใหญ่ก็ตาม ทำด้วยของอย่างใดอย่างหนึง่งมีไม้จริงไม้ไผ่ใบไม้และหนังเป็นต้นจัดเป็นครุพันธุ์เหมือนกันอันพวกสาบานนี่เป็นครุพันธุ์แต่ว่าตัวบาสนี้ไม่จัดว่าเป็นครุพันธุ์ก็แปลกมากพวกพัดวิชนีพัดใบตาลพัดอะไรต่างๆรวมทั้งพัดลมด้วยนะก็จัดเป็นครุพันธุ์หมดเหมือนกันเพราะว่าเป็นพัดเหมือนกันพวกเชิงบาสกระอกกระเช้าไม้กวาดทั้งหลายนี่จะเป็นไม้กวาดแข็งไม้กวาดอ่อนอะนี้ก็จัดเป็นครุพันธุ์หมดเลยละเอียดมากเลยนะเนี่ย บรรดาคร fitted, เครื่องเรือนมีเสาคือบัรไดและกระดานเป็นต้นเครื่องเรือนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำด้วยไม้ก็ตามทำด้วยศิลาก็ตามเสือดำแพนชนิดใดชนิดหนึ่งเครื่องลากพื้นชนิดใดชนิดหนึ่ง ains, หนังที่เป็นอากัปปิยะชนิดใดชนิดหนึ่งที่เขาถวายส่งแล้วก็จัดเป็นครุพันหมดเพราะฉน้นหนังนี่แม้ก็ต้องเป็นหนังเสือโล้องเสือเหลืองเสือดาวหนังหมีสิงโตต่างต่างนี่ก็จัดเป็นครุพันหมด สมควรทําให้เป็นเครื่องราดพื้นส่วนหนังแพะซึ่งแม้มีคติอย่างเครื่องปูราดก็เป็นครุพัณเหมือนกันหนังที่เป็นกัปปิยะเป็นของควรแจกกันได้กับหนังที่เป็นกัปปิยะพวกหนังหนังแกะหนังแพะหนังกวางแต่ในกรุณทีแก้ ว, ว่าหนังทุกชนิดมีขนาดเท่าเตียงถ้าเกิดมีขนาดเท่าเตียงมีเป็นครุพัณ น, นะครบสากระดง้งหินบดลูกหินบด รางศิลาอาลศิลาพันดะของช่างหูเป็นต้นทุกอย่างมีกระสวยฟืมและกระทอเป็นต้นเครื่องทํานาทุกอย่างยานล้อเลื่อนทุกอย่างเครื่องทํานาก็พวกอะไรพวกไถพวกงอนพวกอะไรต่างๆหลา น, นี้จัดว่าเป็นครูพันหมดเลยยานล้อเลื่อนรถเข็นอะไรต่างๆหลานี้เท้าเตียงแม่แคร่เตียงเท้าต่างแม่แคร่ต่างด้ามมีดและขวานเป็นต้นในของเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง หากข้างไว้ยังไม่ทันเสร็จแจกกันได้แต่ที่ถากเกลี้ยงเก่าแล้วก็เป็นครุพันนะขณะด้าม น, นะด้ามขวานด้ามมีดหรือว่าเท้าเตียงเท้าตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาถากไว้ไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จนี่พลาดแจกกันได้แต่ถ้าเกิดถากไว้เรียบร้อยคมเกลี้ยงดีแล้วก็เป็นครุพันอันหนึ่งของเช่นนี้คือด้ามมีดที่ทรงอนุญาตด้ามและปีกรดไม้เทา้ารองเทา้าไม้สีไฟกระบอกกรองกระติกน้ําทรงมะขามป้อม หม้อน้ําสรงมระถางป้อมกระติกน้ําลูกน้ําเต้าหม้อน้ําทรงน้ําเต้ากระติกน้ําทําด้วยเผากระติกน้ําทําด้วยเขาจุน้ําไม่เกินบาทหนึ่งก็แจกกันได้ทุกอย่างเครื่องประนั้นก็จัดเป็นครุพันหมายถึงว่าใหญ่กนี้ไขน่น้ําเตือนกับบาทหนึ่งนี้จัดว่าเป็นครุพันงาช้างหรือว่าเขาชนิดใดชนิดหนึ่งยังมิได้กล่าวหมายถึงว่ายังไม่ได้ไปขัดสีให้กลิ่นกล่าวเนี่ย คงอยู่อย่างเดิมก็แจกกันได้พวกนาช้างพวกเขาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนาช้างเขาที่เขาไปขัดทําให้เปรี้ยงเตาดีแล้วก็จัดเป็นครูพันในเท้าเตียงเป็นต้นที่ทําด้วยงาช้างและขาเหล่านั้นก็มีดิฉัยกลับที่มาแล้วนั่นเองก็คือถ้าทําให้มันเรียบร้อยทําให้สลับสู่ไปแล้วจัดเป็นครูพันแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ทําให้เรียบร้อยจัดเป็นระบุพันก็แจกกันได้ของเช่นนี้ก็คือ กลักใส่หินคุกลักใส่ยาตาแม้ถากราเสร็จแล้วลูกดมรังดมแท่นยาตาด้ามยาตาไม้กวาดสําหรับกวาดน้ําทุกอย่างแกกันได้ทั้งนั้นเพราะนั้นไม้กวาดที่เอาไว้กวาดน้ํานี่ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าพวกไม้กวาดด้ามยาวไม้กวาดด้ามสั้นนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นไม้กวาดด้ามยาวไม้กวาดด้ามสั้นอันนั้นเป็นรุพันแต่ว่าไม้กวาดกวาดน้ําอันนี้ก็ เป็นลูกหุันแจกกันได้วิริัยในขอนที่ทำด้วยดินถึงทราบดังนี้เครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย์ทั้งปวงคือภาชนะดินมีหม้อและฝาระมีเป็นต้นกระถานสำหรับระบมบาเชิงกรานป้องควันโคมมีด้าโคมตั้งอิดสำหรับก่อกระเบื้องสำหรับมุงกระเบื้องหลบเป็นครุพันทั้งหมดเลยนี่เป็นเครื่องดิน ตั้งแต่เวลาที่เขาถวายส่งแล้วก็จับมาเป็นครุพัณฑ์ทั้งนั้นก็ในของที่ทำด้วยดินนี้ของเช่นนี้คือหม้อบาตรภาชนะคนโถปากกว้างคนโถสามันขนาดเขื่องไม่เกินกว่าจุน้ําบาตรหนึ่งเป็นของที่แจกกันได้บาตรดินนี้ถ้าเกิดไม่เกินกว่าจุน้าบาตรหนึ่งแจกกันได้แต่ถ้าเกินกว่านี้ก็แจกกันไม่ได้อันหนึ่งแม้ในของโลหะฝึงสร้างวิธิัยเหมือนในของที่ทำด้วยดิน ก็คือถ้าจุน้ําไม่เกินกว่าบาทหนึ่งแจกกันได้ถ้าเกินบาทหนึ่งนี้ก็แจกกันไม่ได้คนโทน้ําจับอยู่ในส่วนที่แจกกันได้เหมือนกันอนุปุปพีคาถาในครุพันนี้เท่านี้ท่านก็สรุปมาให้เท่านี้แต่ว่าในอัต ถ, ถิถ า, ราดดพระไตรปิฎกจริงมีมากกว่านี้แหละรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีบาลีมีคําศัพท์อะไรต่างๆมากมายนี่ก็ท่านสรุปมาให้นั้นก็ ต้องจดจําเหมือนกันแล้วก็หลักเกณฑ์ในการจดจําก็คือว่าอ่านหลายๆครั้งฟังหลายๆครั้งก็ทําให้จดจาได้มากขึ้นมากขึ้นการจดจําเหล่านี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลฟังหลายๆครั้งนี้อย่าเบื่ออย่านายเพราะว่าสัญญาเป็นเหตุใกล้ของสติถ้าจดจําได้ะระลึกได้อันนั้นก็เป็นสติก็คอยขั้นทั้งหลายมีสติทํามัญญาในการให้จดจําคําสอนแล้วก็มีสติขั้นตีนเกื้อกูลกลับการอบรมสติขั้นสมถะเกื้อกูลกลับการอบรมสติขั้นวิปัสนา แล้วก็จะได้เกื่อกูลกับการอบรมสัมมาทิติในอริยมรรคเนวแปวก็่อยท่านนึกลายได้บรรลุอริยจธรรมบรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วก็กระทำตนที่ตุดแห่งทุกข์ได้ในเร็วพลันนี้ด้วยเทืนนระถาวินิจฉัยเรื่องครุพันในบาลีมุตตะวิเนยะวินิจฉัยสังคหะจบแล้วสาธุสาธุสาธุ